ปอลลต่อจากเฮียโ h เรื่องของเฮียโ ho กับโครงการพัป่าช่วยชาติยังมีอีกมากมีทั้งตอนที่ไปแจกต้นพับป่าย่านพัดพงในพับและบาอากโ ก, โก้เยียโ ho ได้อะไรกลับมาตอนที่ไปโดนตํารวจจับยกทีมที่สั ต, ตหีบหาทางแก้ไขกันอย่างไรตลอดจนกระทั่งตอนโดนหลวงตากแกล้งลองใจอีกทีก็โดนหลวงตาไล่มีอีกหลายเรื่อง เล่ากันจนถึงงานปิดโครงการช่วยชาติเลยครับผมนัดคุยกับเยเอโฮที่วัดป่าบ้านตาดเพราะได้ยินได้ฟังมาตลอดว่าเยเอโฮทุ่มเททํางานด้วยสติปัญญาใช้ไหวพริบงัดไม้เด็ดออดอ้ อ, อนทั้งรุกทั้งรับตลอดงานพับป่าช่วยชาติเพื่อถวายหลวงตาอย่างสุดตัวหลายท่านคงมีความรู้สึกเหมือนกับผมคือมีความปีติร่วมอนุโมทนากับเยเอโฮด้วยที่ได้ประสบความสําเร็จในการลงมือคุมทีมทํางานแจกต้นพับป่าทั่วประเทศ ด้วยความอุตสาหะวิริยะไม่ห่วงแม้ชีวิตของตัวเองคอยให้กำลังใจลูกทีมทุกคนด้วยวิธีการต่างๆตามสถานการณ์ด้วยธรรมะที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นมีศิลปะในการเจรจาต่อรองขอแจกต้นพับ ป, ป่าไปตามที่ต่างๆแม้พบอุปสรรคขวากนาำทิ่มแทงเอาจนเกือบหมดกำลังใจแต่ก็ได้ธรรมะได้บุญจากการที่เยโฮมีความตั้งใจทางานถวายท่านพ่อหลวงตามหาบัว มาประคองให้ทำงานได้ลุล่วงอย่างน่าอาัศจรรย์ผมคุยกับเยโฮอยู่สองวันก็หลายชั่วโมงทีเดียวได้สัมผัสความรู้สึกข้อคิดและเห็นคุณค่าของความจงรักภักดีของทุกคนที่มีต่อองค์พระหลวงตาทำให้ผมต้องสะอึกในอกจากความสงสารเห็นใจและเสียใจที่ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแก สิ่งที่นำมาเล่าให้ทราบกันในเล่มสองนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ส่วนน้อยโปรดติดตามผลงานของเฮียร์โกต่อไปได้ในเล่มสามซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นขอปรบมือและกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนอ น, น้องๆ้องทั้งหลายที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตถวายแด่องค์หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราเพื่อหวังเพียงผืนธงธรรมไว้คลุมร่างพวกท่านได้ช่วยชาติแทนพวกเรา ผมขอขอบพระคุณแทนลูกหลานเหลนโลนในอนาคตที่พวกท่านได้ช่วยรักษาชาติโดยธรรมะและการรู้แจ้งเห็นจริงของลวงตาผู้ซึ่งผมขอสรรเสริญว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีวาจาสิทธิ์หวังว่าทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมและพบกันใหม่ในเล่มสามครับบทความเริ่มนำและปิดท้ายโดยคุณหลวงเรื่องเล่าโดยคุณโฮ เสียงอ่านโดยโจโ ช, โชม ด, ดาจะะอออ่่าา่่่่่นนนแแงมมมืททดดีีีีใให้้้ัจจวาสสิิยู ไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะ อ, อะไรตนเพศคือใครที่ให้กันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้า อาจคอยส่งผลหรือไอาจลึกลเมองกับการส่งผลของกคทอะไรทำดีหรือคนคือกันแมดดาไมพ